เพือเป็นการประที่เกิดรับี่นิน ให่ก็ จ, จะบวชนึกว่าการบวชมันสนุกในทำารทํานาค่าขายอะไรใน ม, มีการมีงานสนุกคุณสนุกนอนอะไรเงี้ยทั้งเข้าใจในด้านนี้เนี่ยดึงเขามาบวชเรียนพระพุทธเขาบวชก็จะบวชตามเขาแต่การบวชนั้นม่าจะคำนึงคานวณว่าการบวชที่จะให้คุณให้ประโยชน์จะเป็นท้องตนเป็นอย่างไร การบวชเข้ามาจะทำลายศาสนาเหยียบย่ำครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรในใ่ในชีวิตในคนคำนวณถึงเพื่อนั้นการบวชเมื่อเราในเด็กทีไนะ่ไม่ใช่แรานในกรนการคำนวณหาเรื่องดีชั่วผิดถูกอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องหนักใจสำหรับผู้ใหญ่ในการปกครอง ทำคามลำบากทำความทุกข์ยากให้แก่หมู่คณะเพราะคนคนเดียวเมื่อตัดทิ้งชั่วปฏิบัติไม่ดีแหวกแนวแล้วจะทําหมู่คณะให้ละความหนักอกหนักใจลําลบากยากเย็เยเนเหมือกนกันกับกลาเนาอย่างตัวเดียวเท่านั้นแหละจะอยู่ในสาานะอันเดียวกันกันกบพวกอื่น ถึงเช้าอื่นจะไม่เน่าจะไม่ตายแต่ดินของตาเน่าย่อมถูกติดเชื้อื่นไปฉันใดที่สุสามเณนที่ปฏิบัติชั่วปฏิบัติเสี่ยในต่างจิตต่างใจในตางแต่ทำบำเพ็ญคุณงามความดีเพียงคนเดียวอยู่ในวัดในวานเขากลัวพระเมรในวัดนั้นเป็นอย่างนั้นทําให้เขาดูถูกนินทาเหยียดหยาม ควาให้เขาเสวมความสวมใสในพระพุทธศาสนาพิกษุสามะเนนนักปฏิบัติทําไมเป็นไปแบบนั้นในหน้าเลื่อมใสในหน้ายินดีคู่คุยกันลั่นในวัดในวางหาความส ง, งบสงบไม่ได้เดกโทรมานึกว่าจะตั้งหน้าตั้งตาศึกษ า, าเรียนหรือจะตั้งหน้าตั้งตาพปฏิบัติจะเห็นเข้า ม่เห็นชื่อที่ต่อยูกันว่านักปฏิบัตกิกรรมฐานรักษาความสงบสงดังดดีมีจินยามารยาตหน้าทั้าลบหน้าเรื่อมใสพอไปเห็นเข้าไม่เป็นอย่างนั้นต้องกันข้างเสียงเออเฉลยเฮฮาเสียงปวดเย่าหงอกร่น ว, นวัดไม่เห็นใครสนใจปฏิบัตรเริเดินจงตรมภาวนามีเป็นเรื่อง คนชั่วอย่างคนเดียวทำหมู่คณะให้เสียหมีคณะที่ตั้งหน้าตั้งตาไปเพื่อปฏิบัติอาจทำจริงจังนี่อยู่แต่เทราว่าคนคนเดียวนั่นแหละเมื่อมาอยู่ในวัดใดอยู่ในสถานที่ใดคู่คุยคนนั้นคู่คุยชนนี้ไม่เอาฐานอะไรให้เพราะไม่เห็นเข้าโดยส่วนใหญ่คนที่นั่งหลับหูหลับตาเดินจงกรมภาวนา มันก็ไม่มีเสียงพอจะให้คนอื่นสนใจให้คนอื่นเห็นเขาก็ไปเห็นของไม่ดีท้ายนอกเนการขู่คุยกันเขาก็วะเขาไปดูเห็การเล่นการเชิญ์ดาเ้ากันเขาก็ไปคอยสังเกตโดยส่วนใหญ่คนทั่วไปไม่ว่าเราหรือเขาไปหากันจะต้องมีสองอย่าง เพื่อท่าดีเขาขอเรื่องใส่ศรัทธานำไปสัญญาเสวนถ้าชั่วเขาขอิสินนินท า, า, าว่าเก่าจตือนเป็นธรรมดาอย่างนั้นคนไปหากันจะต้องไปสร้างเียริวิญญามอะไรยาะจะต้องไปสร้างเกียรติเหตุการณจะดีจะชั่วอย่างไรตามจิตเขาสร้งเกียรตรู้ภายในใจเขาจะต้องไป บอกเปล่าคนอื่นต่เล่าที่อื่นตอนหน้าโดยส่วนใหญ่เขาค็ไม่เคยว่าเปล่าเพราะเหตุใดเพราะเขาเใจไม่ว่าเปล่าวก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์อะไรมีการบวชของพวกเราท่านที่อุตสาห์พรายามจากคารวสามาบวชในพระพูติศาสนาเราอย่าถือความรู้ความเห็นความักง่ายความที่เกียจซึ่งนี้ ไใจจำสันดานของเรามาเป็นาสาธตราความมักง่ายความเสียช้าความไม่อดทนความไม่ภากเพียนไม่ว่าเป็นชาเป็นเนรหรือเป็นคาราวาเขาถือว่าคนชั่วคนเสียคนไม่ดีคนที่เป็นอย่างนี้จะทํางานการอะไรภายนอกก็ไ่สมร็จผลสมรรถประโยชน์ให้ แต่ศึกาเราเรียนก็ไม่ได้แค่ไหนแต่ทาการอะไรก็ไม่สำเร็จเรื่องความมั่ายให้เสียดช้านความไม่อดทนไม่มีความผาดเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นมีพวกเราท่านได้ตรวจดูตัวของตัวหรือไม่ว่าเราประพฤติทุกวันนี้ประพฤติกันอย่างไรถูกต้องตามทํานองความธรรมหรืไม่หรือมีการเสียหายอย่างไร เป็นเรื่องที่บวชมาเพื่อการเพื่อไถ่ที่โดดปัญหาหรือเป็นการบวชมาเพิ่มติมที่เดือดร้อหาเป็นการบวชเพื่อชำระมานาทิกิหรือสั้างมานาทิกิใส่ตัวท้องตัวเป็นการบวชเพื่อใจโง่หรือเป็นการบวชเพื่อเพื่อโงาา่ท้องตั ว, เ ป, ว, เ, เ, ว, ตวเป็นบวชเพื่อ เก่ศาสนาหรือหยยบย่ำศาสนาหากทุกคนมันตรวจตาที่นิจเจริญนาในตัวของตัวอย่างนี้การเสียหายภายในตัวหรือการหนักอกในหลัก ใ, ใจของครูบาอาจารย์จะไม่เกิดมีขึ้นความที่ไม่ดีต่างๆนับวันจะลดน้อยถอยไปจากกายาจใจของบุคคลนั้นความดี คืมีนิดหน่อยก็จะเ พ, พิ่มคูณทวีคูณความดีขึ้นเพราะการเสียเหน็ดศึกษาตัวข้องตัวอยู่ทุกวันทุกเวลาหน้าที่ของเราที่เข้ามาบวชเป็นอย่างไรข้อวัดปฏิบัติอัธรรมที่พระพุทธเจ้ า, จาสอนไม่มีตอนไหนเสียหายอะไรต้องคิดนึกติดตามอย่งทมนี้ในตาดูดูรูอาจารย์ทาธรรมบบำเท็ หือมีฟังคนอื่นแนะสอนหรติเตียนมีชั่วอย่างไรคำนึงคำนวณและหัวดตาดูกายรายกายใจของตัวเสมอคนเช่นี้จะไปอยู่แต่ฐานที่ใดมีแต่ทางที่จะทำความเจริญให้แั่ตนและหมู่คณะถ้าหากใ น, ใน่ั้เหศึกษาไม่ีิ จ, ะจะายนาเหเนก็บวชกัวบวชเข้ามาแต่ ไม่เลยตั้งใจประเภทปฏิบัติอาจทําอะไรมีใจกินใจเล่นแต่เพลแต่เพลินตามเรื่องทั้งตัวอยู่อย่างนั้นทําโง่หน้า บ, บันแต่เทวีกูนขึ้นหรือเราบวชทพ่อควาโง่หรือเราบวชเัื่อความกะล่ำเราบวชเพื่อควาดีหรือบวชเพ่คอความชั่วเราต้องการดีหรืต้องการชั่วแต่ที่นี้ที่เะรนาตัวอยู่เสมอไม่อย่างนั้นน้า บ, บันที่จะเสียหายไป ในตัวของตัวและส่วนใหญ่เมื่อเราทุกคนคนคิดที่นีพิจารนาสอมตัวอยู่ทุกวันทุกเวลาตั้งหน้าตั้งตาจะทำำทำบำเท็ความดีตามหาที่ของตนไม่มีจิตจำเป็นในควรใจวุ่นวายถูกคุยกับคนใดหากเหนื่อยเหนื่อยจากการเดินจงกลมกมาหนังพิจารนาเอาไว้เรื่องร่างกายสังขารหรือจะอ่านาหรับตำาทางธรรมะ เพื่อะระดับสติปัญญาของตนกว่นน า, านัา้นยังีกว่าการไปเ่เชินไปู่ไปคุยกับคนอื่น้าให้คนอื่นเนื่อยหูทให้คนอื่นลำคาญใจ้างหากเราไม่แก้ไขตัวของตัวในทางที่ชูเรื่องที่เสียไปนานั้นจะยาวโตขึ้นเหมือนกันสั บ, บาดแผลที่เราไม่รักษานะบันเวลาที่จะ เป็นบาเป็นแผลใหญ่โตขึ้นผลคือสุดก็จะถึงสึ่งความตายเพราะในมีการเยียวยาไในมีการรักษาในมีการพยาบาลแผนั้นก้อนับบันจาใหญ่โตขึ้นของแ้ลที่จะเป็นพิษเป็นไข่สำหรับแผลนั้นก็หามาขบมาฉันมาอยู่มาจินมจุยไปแผลก้อนับบันจะใหญ่าห่โตผลคือสุด ถึงสิ่งความตายได้แผวนี้หน่อยเล็กน้อยนั่นเอ ง, เองฉันใดจิตใจของพวกเราที่ล่วไหลไปในทางผิดในทางเสียก่างกับทำทางกายไม้สังวาระ ว, งะวงะังรักษาการพูดทางวาจาไม่มีการขมวดระวัางการคิดทางใจต่อไปกันใหญ่เมื่อเป็นเช่นนั้นได้รั บ, ำบทำตัดส่วนจากครูอาจารย์เราก็ไม่เอาใจใส่ไม่ รักษาไม่มีเคลือซ้ำอายบาดปวดตะปะความกลัวบาดภายในตัวของตัวอยากทำเชือกเสียหายอะไรก็ทําไปตามอํานาจที่เหนือศัญหาผลักดันออกมาภายในใจของตนความเช่นนั้นอยู่ในวัดในวงังอยู่ในศาสนาถึงจะอยู่ได้ก็ไม่มีการจเจริญเจ้าหน้ามีปต่ทางแต่เสว่อมแต่เสียแต่ตัวของตัวและหมู่คณะเหมือกนกันกระ บ, บาทขอลที่ไม่เยียรักษา คนที่สุดคน่นนั้นก็จะต้องหลุดจากาศาสนาไปคืออยู่ในาศาสนาในได้เพราะความปรุงท้องใจออกนอกโลกสม่ำเส ม, มอเราต่ชั้งวานระวัมใได้ยินดี่วมใสในธรรมในในสี่พระพุทธเจ้าทรงแะนะนอนอกนั้นก็ทำส่วนใหญ่ให้เสียหายไปอย่างที่อธิบายมาเหตดนั้นเราบวชเข้ามาดีดามาันดานผูกใสกจำเนิด ของเราะละเรามาบวชเพื่อจะศึกษาหาความรู้เพื่อจะมาประพฤติตัวให้เป็นคนดีคนดีเป็นผศักิสทธาราบูชาของดิดามัรดาลีชาโลเราต้องสอนตัวของตัวอยู่มสม่ำเสมอ ท, ที่นิพพยานาตัวอยู่ทุกวันทุกเวลาหน้าที่ของผู้สึกษามเนนมีอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไร กาแต่ออทำบำเพ็ญไปอย่าเป็นคนชอบเอตราชเฮฮาอย่าเป็นคนชอบขนองตายขานองวายจะให้ระวังสังวรรักษาที่นี่ทีารณาตามอัดตามทำของพระพุทธเจ้าไม่อยางนั้นไปไม่รอดอย่างไรก็ต้องเสืียหายอย่างแน่นอนผู้ที่บวชแบบนั้นคู่ที่เลยนึกแบบนั้นอยู่ในสถานที่ใด ทำลายหน <c oughs> ู่กคณนะทำลายพระศาสนาเหยียบยำ่ำพระศาสนาครูบาอาจารย์ขนบาปขนกรรมมาใส่ตัวของตัวไม่ใช่ทางที่พวกเราต้องการเป็นทางด้านผู้เสียหายฉะนั้นทรงพากันระวังสังวรรักษาอย่าเป็นคนสมัอย่าเป็นคนใส่สุดอย่าเป็นคน หล่ความคิดความไม่ดีทเท่าใหญามเสียช้านก่าดีความไม่มีผาดเพลียนกว่าดีความเอเกราเฮฮากว่าดีเป็นทางเสียหายถ้าพุทธเจ้าจึงแนะสอนในพวกเราจะทำบำเพ็ญจกเราเป็นนักบวดเป็นเถิดผีะเสดเป็นเถิดผีวิเศษชาวโลกกัวไปรวมใสศรัทธาเขา อาหารการขบฉันหรือผ้าผ่อนท อ, ขอนสบายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ให้โดยาอาการโยนทิ้งไม่ได้ให้เหมือนให้ตัดหรือให้คนธรรมดาเขาต้องยกใส่ต่าส่หัวเสียก่อนถึงค่อเอาให้จัดจ้างบาตรทำบุญอะไรตัเหมือนกันเป็นอย่างนั้นก็เพราะเขาถือว่าเรามีเทประเสด็จเทวดาของสมัย น, นะ้นาเขาเรียกจัด วาระจิตความนึกคิดหรือความทั่วของเราแล้วเรากับไม่ละอายเขาหรือการนึกคิดโยงไปในทางจิตต่างๆด้วยการแต่ทำการพูดทุกเป็นทุกอย่างที่ไม่มีสีมีธรรมยังแต่เพลิดมาหลอกกินเพลิดในเชิงแบกแอบศาสนากินไปจุตใจเป็นอะไรไม่มีพระไมมีเงินไปจําตัวเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ จะไม่ละอายชาโลกเขารู้เรามาบวชบวชตัวทำรายศาสนาบวชตัวหยุดยั้ภคูบาอาจารย์ด้วยบวชตัวส่งเสริมศาสนาเพิ่มพูนคุณงามความดีให้มีแก่ตัวของตัวและวงปตระกูลหากเราทุกคนสนใจไส่ิดตั้งนาตั้งตาปฏิบัติจิตของจิตสื่ตสามม่เนียนจริงจังเรื่องต่างๆที่จะให้คูบาอาจารย์หนักใจ หรือจะย่มย่มทำดนี้ <c oughs> ไนไม่มีแล้วถึงมีชักขั้วเค่นถุงมากม า, กายแตกฟองขนาดไหนก็เบาใจสบายใจโ อ, อื่นใจเหมือนกันกับเรามีสมบัติที่มีคุณค่านี้มากเท่าไรก็ไม่หนักใจนี้มากเท่าไรก็เพิ่มคุณทํามดีสิ่งเท่านั้น้าหะไม่ใช่สมบัติเป็นของดีบัต ขอไม่มีคุณคข่าของมีมีสารประโยชน์มีหน้าเท่าไรหน้า บ, บันหนักใจเหมือนกันกับโรคไครที่ดเกิดกับเนื้อกับตัวของเราถึงโรคปวดหกวปวดตากวดแขงกวดหาหรือโรคอะไรป่อตาเกิดขึ้นเพียงนิดหน่อยเพียงแหงลอยที่ลอยเท่านั้นอะไรว่าทั่วไปก็ปไม่สะดวกขัดคล้องฉันใดการปฏิบัติทำนี้ในหากมีจิตสุสา ม, มาเนรหัวเดือดรือลั่น ไม่แต่คิดปฏิบัติจริงจังไในอดในธรรมเป็นคนที่ไม่เอาทานเป็นคนที่ไม่เชื่อถือไม่มีความเคารพไม่มีความละอายต่อทำด้วยในต่อครูบาอาจารย์แล้วความหนักใจในครูบาอาจารย์จะเป็นอย่างไร ต, งตอบได้เพียงเดียวว่าต้องหนักใจแน่พอบอกไม่นอนสอนไม่ได้และทางธรรมด้วยในท่านก็ให้ขับไล่ถ้าตัดเตือน ไม่ฟังแล้วจะต้องพับไล่ไม่ให้อยู่ในหมูนหน่ น, นะ้นนั้นมีอยู่อย่างนั้นเขาจะทำาส่วนใหญ่ให้เสะยหายไปเราว่าบวชถ้ามืองดีหลังดีงดงดก็อคิวต่ออาจารย์ต่อศาสนาต่อมงต่อภูลทของเราล้าต้องตังแน่จะทำบำเพ็ญตามโอวาทของคิูบาอาจารย์นี้ตาม ทำยังไนที่มีสอนเอาไว้ไม่ว่างนั้นไม่มีวันที่จะเจริญจะยุดจะดีดต่อไปการบวชก็คือการเล่นส่วนใบู้้อ่วส่วนใบผีว่าส้นไม่ทำไม่พูดไม่คิดส่วนใบดีมีผลมีประโยชน์ต่อตนและคนอื่นให้ทำส่วนนั้นการบวช นชั่วมันคนดีและสัมแล้จิตใจของตนให้หมดสติจากจิตเมื่อเิตหมองท้องใจปกติจใจยังช้ชีวไปในทางส่มทางชั่วสม่ำเสมอถ้าหากเราไม่จงวรระวังในตั้งใจปร่พิปฏิบัติรักษาความชั่วนั้นไม่ต้ ก, ก, กลัวโกรธกลัวก็ไหลเข้ามาถ้าเราไม่ปิดเอาไว้เหุ่นั้นทางธรรมด้วยในทางภ า, าษาศาสนะาพระพุทธเจ้ายิงสอนใ่ามีการตั้งวรอต่างระหว่างยึดถือสามารถในงานที่จะเป็นผู้มีวิสัยได้ก็ต้องอาศัยศีลถ้าหากไม่มีศีล จะได้คือว่าเป็นที่สู่ษา ม, มาเนินที่อาคับหรือเป็นเปรือในเรื่องแบบคิลถ้าหาด ร, รักษาตั้งหน้าต่างๆาตั้งความจริงจังระวังส่วนที่เป็นโทษไมแปะต้องในแปะทำส่วนศิ น, นภายในใีเรื่องจิตใจที่จะไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์สันยาระวังรักษาอีก ตาจีโมกสังวรสังเวมในพระตาจีโมกเว้นข้อจีพระพุทธเจ้าห้ามทําตามข้อจี่พระองค์ทรงอนุญาตอย่าเราเว้นจากข้อห้ามทําตามข้อจี่พระพุทธเจ้าอนุญาตอย่างนั้นไปกสถานคืใดใครก็อไม่มีการลังเกียจเพราะเราผูศีลหศีลของเราเสียศีลแล้วของเราดางซอยอย่างใดอย่างหนึ่ง ยินดีทั้งวันรักษาตาหูจมูกติ่มทายใจของตนไม่ให้ยินดียินร้ายไม่เมื่อไปศบพบสิ่งที่เป็นต้องการไม่เป็นลร่องเสี่ยงยินรักษาใจไม่ใช่คิดไปในทางสิดถ้าหากคิดรักชอบในรูปในเสียงเหล่า น, นั้นก็เกิดเป็นปัญหา ก่ความเดือดร้อนเขาตัวคล่องตัวถหากบางส่วนนั้นก็อเกิดทวีบัตมันเป็นโทษทั้งดีทั้งชั่วท่านจึงให้รักษาให้เห็นตามสภาพของมันนั้นหากเรารักษาสีนตัวนี้ได้จิตใจของเรากวรจะเป็นสมาธิหนักแน่นใกว่าความแกทนตไปตามปัญญาอารมณ์ต่างๆสีนที่จะให้เป็นสมาธิได้ต้องเพ่งศี จริงๆไม่ใช่รักษาแก่ตามจิตขบอยู่ในที่ขันบอกเราเรื่องโทษต่างๆทรรมนั้นรักษาเข้ามาถึงภายในคือรักษาใจของเราเมื่อศีนบริสุทธิ์สมาธิหนักแน่นปัญญาการตรวจตาที่นิพจาณาดีชั่วผิดถูกภายอกตลอดถึงสังสารหลางกายทั้งตัว ว่าดูทั่วอยาบละเอียดอย่างไรเข้าใจชัดเจนทีนี้ทุกาจรณาเหนะ็นใจจากภายในจิตในใจข้้งด้านภายนอกและภายในเมื่อเป็นอย่างนั้นปัญญาถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแนะนมคนอื่นได้ไม่สามารถที่จะแก้บาทะ ของคนอื่นได้ในความสามารถวิเศษแะเสดเ่อที่จะนำสัตว์นำบุคคลทั่วไปให้ยินดีเรื่มใจได้ต่างแต่ว่าสามารถรําจัดตัดเตาที่เหลือปัญหาภายในใจของคนให้หลุออกไปให้ตกออกไปได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตัวได้านผู้ได้ใาชมเชยว่าเป็นคนดีถ้าหาก ได้มีศีลไม่มีสมาธิมีปัญญาถึงจะอยู่ในศาสนาแต่ละมีคุณค่าสารประโยชน์แสงชิงชิ ง, งอิงอาศัยศา ส, าสานากินไปเหมือนกันกับว่าตาฝั่งที่จับต้นไม้คอยดูดแต่ต้นไม้กินเหลือห่อยไปเมื่อต้นไม้ตายเมื่อใบตาฝา ก, ก็ตายได้วย ฉันใดพวกเราผู้ที่เดือมใส่ศรัทธาเป็น้าติเป็นเนื้อยู่ในศาสนาอย่าให้เป็นกระเ ท, ทาาือกฟาฝัตให้เป็นตัวของตัว <c oughs> คืออาศัยศาสนาแต่เท่าว่าอาศัยสั่งคืองงามความดีใส่ใจบาดเจาบใส่ของตนเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวได้ไม่มีการบันไหว สงสายอะไรในเรื่องโลกทีนี้ที่เจรนาหยาบทายทายในตัวทุกสิ่งทุกอย่างปวดอจละสิ่งที่ชั่วทั่วไปไม่ให้จิตใจคล่องติดทีนี้ที่แจรนาอวัยวาสังขาร่างตายภายในของตนและของคนอื่น ให้เห็นไปจากแทบเกินว่าสัตัว่าไใช่ตัดบุคคลตัวตนเราเขาเมี่ยเราเห็นไปจากแทบเกนอู้เกิดจากจิตใจภายในอย่างนั้นจะไปจิตไปคล่องไปยินดียิ น, ยนล้ากับอะไรแต่ต้ังขารลางใจภายในตัวของตัวก็ยังไม่ยุดยังไม่ถือคนอื่นชายนอก ก็เป็นปัญหาสำหรับใจอะไรสมบัตพัฒน า, าบานช่องก็เป็นของอาศัยเหมือนกันกับใจที่เราอาศัยเราจะจากไปบรรดาบัา น, บานหนึ่งแน่นอนการจากไปของเราจะกลับพบกัชาติอีกหรือไม่มีอะไรเป็นเชื่อที่จะให้เกิดอีกได้ทำลายชั่ อ, อ น, นั้นหมดไป จ, จากจิตจากใจของตนอยู่เดียวนี้ก็มีการสิดกานค่อง จบอะไรจากใจจะมีอะไรผิดขออ้องตัวข้องตัวความบริสุทธิ์ลิมุตเป็นอย่างเราประทับจิตประทับใจของตัวอยู่เสมอคนส่วนนั้นที่สุสามเณรส่วนนั้นเป็นที่สุสามเณรที่ดีเป็นคติมินิตที่น่าบูชาทุกคนที่บวชมาก็ต้องการความดีความวิเศษ ความสุกในส่องทางความทุกข์เือหวิดไปการไปก็จะบบตายใจยิงไม่ตั้งหน้าตั้งตาสะสมความดีความรักวออกจากใจของตัวถ้าหากยังสะสมในภายในใจโดยไม่ได้ชำรสารสังเวาได้ดีไป้า้ทุกวลนไปถืนนักบวชจะต้องถึงที่สุดนิุธานรวยกัน มี่เป็นอย่างนั้นที่ท่านดีวิโสษได้เพราะเพราะอาศัยท่านมีความอดความทนตามขัดคามเพียนเสียเท้าวิเด็ดว่ียใจรายใจใจของตนท่านจึงเป็นคนดีวิเศษได้ไม่ใช่บวชเข้ามานอนเล่นแล้วป่าถนาเอาวยาดี้ยาดเด่นีขึ้นเองมีผู้นิยมชมชอบจีบปัญหาหลุดลอยหนึ่งบ้าน เปืนอการเชิญการถูการคุยการหลับการนอนทั้งหนไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นเราทู้วันนี้ประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรเป็นเรื่องที่ทาบไล่กิเลสปัญหาหรือเป็นเรื่องที่สะสมกิเลสปัญหาควรจะทีนี้ทจะรายงานคะำนงคานวณตัวเพราะหน้าที่ของที่สื่สารมาเนนไม่มีอะไรอื่นนอกจากจะที่นี้ทีจะรายา สะสมคุณ ง, งานความดีจะไข้ า, ายใจใจของตนคนนั้นอะ ไ, ไรเน้นที่เในสิ่งเหล่านี้ส่วนอื่นที่ดีดีเสร็จจะเน้นที่ได้อย่างไรของหยาบๆ ย, ยังทำไม่ได้ของหยาบๆ ย, ยังรักษาไม่ได้จะไปเอาของราเอียด ของดีได้อย่างไรที่ต่ำๆยังขึ้นไม่ถึงที่ถึงสูงจะขึ้นไปถึงอย่างไรของถูกๆยังซื้อไม่ได้ของแพงจะมีอาจมีแต่ตงมาจากไหนไปซื้อปัญญาของเราพิจารณาของหยาบๆยังแค่นี้ยังพิจารณาไม่ออกของละเอียดซึ่งเรียกว่าอเนกใสปัญญาจะเข้าไปถึงได้อย่างไรเราต้องทีนี้พิจารณ์นะ อย่างภายนอกเป็นเรื่องบอกภายในไม่ใช่อย่างภายนอกเป็นอย่างหนึ่งภายในเป็นอย่างหนึ่งนั่นยกเว้นที่ท่านสาธุปฏิบัติถิ่นทีึกจริงจท่านต่อได้วางหน้าภายนอกของท่านเป็นภายนอกภายในของท่านเป็นภายในจริงจังเนื้อเรายังีเสียผลอยู่กับเรื่องกิเลสปัญหามาณทุกย์จะไปลว่าภายในมันดีภายนอกมันเสียภายในมัเป็นอย่างใจวายใจที่ทํา ไม่ได้เพราะมั น, มนยังแค่เข้ากันอยู่ยังไม่กระจายในสิ้นที่ศึก้องมันเราทุกขั้นคือปรารถนาดีสองพินิจที่จะได้นงสร้างสมองรวมความดีตัวตัวของตัวไม่อย่างนั้นนับวันนับเวลาอายุภรษาก็มากเข้าแต่เขารรษามานี้ตัวร้ายวันหลายคืนมาแล้วคุณงานความดีที่เราไปทำบำเพ็ญมามีอะไรบ้าง เขาตัดดำทำนากันเสร็จแล้วเป็นทึ่งทุ่งเขายังมีความปลื้มยุดปลื้มเจ้าว่าเขาจะได้อยากได้กินข่าวในานานของเขาเขาเขาทาเสร็จแตแล้วเมีเรามีอะไรเข้าพรรษามาจนตลอดถึงกระถางตอนนี้มีอะไรทุณงานทำดีที่เป็นเสียงปลื้มใจให้ไข่คิพย์ทิพย์เรนานแล้ะก็ไม่นานก็จะออกพรรษา พอพรรษาเชงซึ่งแล้วหละเมื่อตอนแรกพอพรรษาเชีกระทั่งวันนี้ยังไม่มีคุณงามความดีอะไรต่อไปเราจะประทุติตัวอย่างนี้หรือจะประทุตัวอย่างไรคุณงานความดีจึงจะเกิดมีแก่ตัวของตัวให้ใครที่ที่นี่ที่จะได้นะไม่อย่างนั้นเสียวันเสียเวลาหาคุณค่าสาราประโยชน์ในได้เราเป็นนักบวชส้องซ้อมตัวต้องแนะตัว ต้งพิจารณาตัวพอเรามีชีวิตเป็นอยู่โดอคนอื่นในว่าอาหารการขบฉันไในว่าผ่าพอนท่านสบายมนว่าที่อยู่ที่อาศัย้าเขาคิดเท่าเท่าเราจะมีอะไรให้ที่นี้พิจารณาตัวข้องตัวสมำมแต่มอไปตระกูลของเราเป็นอย่างไรฐานะความรู้ของเราเป็นอย่างไรใช่ใช่คิดพิจารณาไม่อย่างนั้นจะ เป็นบ้าจะเพิดเชินเห็นลากสัจรที่เขาอามาสักระบูซาจะตื่นเมื่อตื่นตัวไม่มีขอบไม่เขียด้ารสอยอะไรเดียวแบทคา น, นึงคำนวณพราะเห็นของมาก่าทะเยอทะยานไปของได้มาจากอะไรให่ใครคิดที่จะเล้นนะปกติเราอยู่บ้าน เนเราเองถ้าหนมาพึณชาไสหมู่คณะเราเป็นอย่างเรานีใครเขาเอาอะไรถายได้ไหมว่าต้องใช้คุดที่ใดนะไหนว่าตัวมูชาใช้ไหนว่าไม่ผีดไฟหรือยาสีฟันทุกอย่างเขาให้มาด้อํานาจตัชาเขาให้มาด้อํานาจท่าศาสนาเขามาบูชาคนดีในศาสนาบูชาคนขั้วคนคุยเฉย คนเล่นจริงๆคนไม่มีข้อวัดปฏิบัติอาจทำอะไรเขาอยากจะให้เขาอยากจะบูชาเมื่อเป็นอย่างนี้เราควรดัด ต, ตัวของเราให้มีข้อวัดปฏิบัติให้มีอาจมีทำให้มีความผากความเพียรรับความสงบสันต์ปฏิบัติให้ถูกตามอาจตามธรรมของพระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นเถอไม่อย่างนั้นเสีย การสอนตัวคลองตัวมีเรื่องการสอนตัวคลองตัวการจับลงตัวคลองตัวเกีบความดีเมื่อตัวคองตัวดีแล้วไปสถานที่ใดดีทั้งนั้นจะเข้าไปอยู่ตาอยู่เขาคนหนึ่งคนเดียวกนดีจะอยู่ในหมู่ในคณะสบายเป็นสังฆะถรพันโนจะทำหมู่ให้งาม เราสองสอนตัวของตัวแนะตัวข่องตัวดัดตัวของตัวไม่ใช่เรามาเล่นเรามาเพลินเรามาทำามหนักใจให้แก่คนอื่นเรามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาเรามาสร้างคนงานความดีเรามาประพัติปฏิบัติอัดทำเพื่อ เ, อเอชิดชูวงตระกูลของเราเเชิดชูวัดนาศาสนารูอาจารย์ของเรา แม่แนะสอนตัวของตัวจอยึ่งเอาไว้แล้วแต่ที่เดือดปัญหาจะนำพาไปอย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่มีวันที่จะมีความสุขความสบายอยู่ในหมูก่ก็เป็นที่รังเกียดในเป็นที่ชอบพอข้องหมูหนีไปจากหมกูก็ไม่มีผู้สนใจยินดีเด่อมใส่แตการบูชา อยู่ในวัดในดีออกไปนอกก็เป็นอีกอยู่ในวัดในฟังในเชื่อในยินดีในทําสอนของพระพุทธเจ้าในเชื่อฟังครูบาอาจารย์ออกไปนอกก็ไม่เชื่อฟังคาาากกงำสอนสอนของแม่ของผู้เท่าผู้แก่ผู้หวังดีต่อตนคนที่ถูกตัวเป็นคนเยกะละลานคบกับคบพวกคนทานคนเสียเป็นนักเลงอย่างนั้นเป็นนักเลงอย่างนี้ หาผล ง, งานความดีสิ้นใดที่จะมีในกายในใจของตนใไม่มีมีคือคนไม่ดีอยู่ในวัด ก, ก็ไม่ดีออกไปนอกก็ไม่ดีอยู่คนเดียวก็ไม่ดีอยู่ในหมู่คณะก็ไม่ดีเราต้องฝึกตัวของตัวให้ดีถ้าการฝึกตัวให้ดีมีทางฝึกไ ด, ด้ถ้าหาเราตั้งใจสนใจจะฝึกจะแก้ไขเพราะที่เหลือตัวเกิดขึ้นกับใจ มั่งข้อปฏิบัติสําหรับคนละจิเลศปัญหากรมีอยู่กับใจใจของเราถ้าคิดใช่าอาธรรมเรื่องอาธรรมอย่างที่เลศปัญหามันจะตกออกไปไม่มีโอกาสเวลาที่จะเข้ามาจับคมกับจิตถ้าหากเราคิดเรื่องโลกเรื่องอาธรรมอย่างทจิเลศทำก็รมีเวลาโอกาสที่จะเข้ามาสู่ใจของเราเพราะใจของเราอันเดียว เหมือนคนแขนเดียวมือเดียวจับอันหนึ่งแล้วจะไปจับอันหนึ่งอีกไม่ได้จิตใจของเรากว่าฉันใดเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงพากันหมั่นพากันขยันจะทํำบาเพ็ญคุณงามความดีตามหน้าที่ที่เขาให้ชื่อว่านักปฏิบัติพระกรรมฐ า, านเนรกรรมฐ า, านรักความสงบสงสัดปฏิบัติหน้าที่นหน้าเลี่ยนใส่ใ ผู้ใตรงตามเขา <c oughs> ทำเขากันละเสิญอยากเป็นตัวที่มาแอบยิงทิงอาศัยยังสื่อกรรมฐานยังสื่อนักปฏิบัติว่านักบวชเท่านั้นตัวให้เป็นตัวของตัวริงจังต่างหน้าปฏิบัติเมื่อทุกคนได้ฟังคำเตือนฟังเสี้ยนทบายมา ก่อจนจะนำไปที่นิพพานาแนะสอนตัวของตัวให้ละชั่วบรเพ็ดีทวีคูณขึ้นเมื่อเราทำได้อย่างนั้นความชั่วที่มีอยู่ในตัวก่อนนับวันเวลาที่จะเบาบางลงไปความดีที่มีในตัวก่อนนับันจะดียุ่งเสรทวีคูณขึ้น ในการอธิบายทำวันนี้ก็เห็นว่าพอฉันควรเจียเวลาหรือเปลาดูมันเคยอยู่มาแต่ก่อนท่านเจมันยังหมือมนมรณภาพอยู่นั้นอยู่องค์เดียววันนั้นเพอเอินท่านลงมาบกชีอยู่นั้นก็ลงมาไปเจอท่านที่กลางทางมั้งท่านก็บอกว่าจะไปแล้วก็จะ เท่ากบติให้ขอทางน้องทั้งคือมันมีที่เข้าถ้าท่านไม่บอกก็หาที่เข้าไม่ได้ทามันอยู่สูงไปพอไปถึงเหเสี่ยงกีวอนออกเอาผ่าหอกีวานหออย่างแล้วก็ลัดเอวขึ้นขึ้นบันได บันไดมัน40 41ขั้นแต่มันชันสูงขึ้นยากเคลื่นไปก็ไป้ักเล่นอยู่นั้นขอจงคนขาลง <c oughs> ขาลงมันมันเหมือนขาขึ้นอ่ะมันกลัวย่างกับไอ้พายจีวอนอาอ่างโยนลงมาก่อนลงมาเจ็ดตัวเห็นจันสมจิตไปมรณภาพอยู่ที่ อำเภอเงะทะลำปางให้ถันลงไปก่อนลงไปพอไปถึงบันไดขันใดกอกอดก็กลัวตกถันลงไปจนซึ่งอาจารย์จึงจะลงตามหลังไปก็เลยเลยถันลงไปนะไปถึงพื้นก่อนท่านอืเราไม่เคยพูดชายที่แท้นะไม่เคยพู้หญิงแล้วพวกพู้หญิงพวกชีอยู่นั้นก็าหากน้ําขึ้นส บ, บาย แต่เราผู้ชายตั้งหลายนาทีกว่าจะไปถึงลงม้วนกันเออจากเขาไปเห็นเขาโมล้อใหญ่อะมันไม่เคยขึ้นลำบากสูงทำูีสูงแต่เป็นทำต่ำคือ ท, ทำที่มันอยู่สูงแต่ทำมันเอมันอับๆมันไม่สูงมันไม่เปิดเท่าไหร่ คือคืของทำกับตัวทำมันเงาสักบางแห่งกับาสามสี่เมตรบางแห่งกับสองเมตรสิบเจ็ดขาเลยคีดสะไปนี้นิดนะอแต่มันอยู่สูงแต่นั้นทำมันต่ำมันอยู่ติดกับยอดเขาเป็นยากลงยากเธอ เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้อยู่เท่าไรแต่ลงมาหลายปีแล้วพวก่อการไปอยู่นั้นนายเจไดสั่งเอาไว้คงทางรัฐบาลสัางก็คงจะหมดหลายล้านเหมือนกันถ้าท่านสั่งดีเห็นผีพักผีอาศัยม่ายกว่าร่วมแจ้งง่ายตะเคียนทั้งนั้นนเอามาทำ น่าทำที่นั่นนั้นก็พวกทีพวกนั้นปลูกไอ้พวกกล้วยมะพร้าวต้นาวส้มหลายอย่างเป็นสวนใหญ่โตอยู่นั้นเพิ่มินทบาดไม่ได้ระยะทางมันห่างไกลเดี๋ยมันจากนั่นมาถึงหมู่บ้านมันสองร้อยกว่าเซนขึ้นเขาลงเขาแล้วก็อาศัยพวกทีอยู่นั้นเน่ะ ท่านจะงเดียวกเก็หาหาารถายทด้วงท่านจะอยู่แบบสะดวกสบายดนที่บาัดินทบานแล้วก็น้าก็พวกนั้นก็หาพืนใจให้องไปอ่านให้ท่านสงคงจะบางันก็คงจะมาได้ลงจากถ้ำเราไปเห็นเขาไปนั่นแหละก็ หลายทีขึ้นไปที่1วันหนึ่งเหนื่อยขึ้นยากมันสูงสูงมากแต่มันสูงแบบผู้ทอกผู้ทอกมันมีสะพานขึ้นอันนั้นมันบันไดบันไดก็กว้างให้เราสักเมตรเศษแต่มันก็หนากรัวหา่กันในสูงมันก็ สะวสบายขนาดนั้นขี่เห็นสูงกับเียวที่ทอะไรพวกอุดรพวกมู่บามพวกนี้ก็ไปชอบปากพอมารับไปแต่ว่าถึงการจวนไปลงเตนคือมีคนมามีมลให้ไปมาหลายล้างหลายหนแต่ถึงวัน มาจริงจังเขาก็ไมยมารับเขาได้นมนได้ไปสักทีตอนนั้นมันยังมีเรียกอยู่คนยังมันส่สนใจไปเกี่ยวเหมือ น, มนสมัยนี้ไปกันหลายสารรถทางอุดรทางหมู่บ้านต่างๆไปเน้นมันก็น้่เที่ยว คงจะนัดเนี่ยเอาไว้ว่าเรามันจะแค่ไหนคงจะคิดแบบนั้นแต่จป็นจวนพวงแขนบางแขนเห็นเนงนํำเขี่ยวพอไปถึงเห่วที่ลึกๆมันก็นยืนดันเราอยู่นั่นแหละจะให้เรากลัวหื้ยหรือมาทางแขนแบบนี้ เดินไปเพลินเรื่อยไปไมได่ดูหน้าดูหลังอะไรก็เดินไปไกลพอสมควรขึ้นคอยมองดูเหนียวสะพานก็มองดูมันเสียวขาอ่อนร้องไห้จะกลับก็กลับไม่ได้จะไปทางหน้าก็ไปไม่ไหว <c oughs> ต้องอาศัยคนอื่นพยุงไป <c oughs> ขายหน้าลงตาเนี่ย <c oughs>